5. ปาติเทศนียกันจำนวนอาบัตในปาติเทศนียกันปาติเทศนียสิกขาบทที่หนึ่ ง, งภิกษุณีออกปากขอเนยใสมาฉันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉัน ต้องอาบัตปาติเทสนิยะทุกๆคำกลื่น